บุ๊กทหกสิบเอ็ดลำดับเลขเดือนแรกคือเดือนมกราคม mes เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ O segundo mês é fevereiro. O terceiro mês é março. O quarto mês é abril. O quinto mês é maio. เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายนหกเดือนคือครึ่งปีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนอปริวมายุอีจุนยเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมอุเซิชมเมสเจุลเดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม o อยต้าฟเมสออกสต เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายนเดือนที่สิบคือเดือนตุลาคมเดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนเดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม อึดอั้มเดือนคือหนึ่งปีดอซีเมซส์ m ัมหนึ่งอ a นยกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนจตร์ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม Outubro, novembro e dezembro.